อาบัตที่ชื่อว่าชั่วยาบได้แก่อาบัตปราชิกสี่สิกขาบทและอาบัตสังฆาทิเศษสิสามสิกขาบทที่ชื่อว่าอนุปสมบันคือยกเว้นภิกษุและภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันคําว่าบอกคือบอกแก่สตรีหรือแก่บุรุษแก่เคระห์หัดหรือแก่บรรพชิตคําว่าเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติคือยกเว้นภิกษุที่รับมอบหมายจากสงฆ์